กรรมที่เราทํามาในอดีตนี่นั่งยิ้มเลยใช่ไหมสิ่งที่เราพูดทุกคําเนี่ยนะเกิดมาในพูดกี่คํำละนั่งยิ้มอย่างเดียวเลยนะผู้พูดแต่ความดีไม่ได้พูดชั่วเลยเนี่ยนะอย่างนี้ได้ปะทาแต่ดีไม่เคยทําชั่วเลยคิดแต่ดีไม่เคยคิดชั่วเลยถ้าอย่างงี้ไม่วิปัิสานแต่ถ้าตรงกันข้ามเกิดร้อนแน่เหมาอนกันนะเพราะอะไรเพราะกรรมจะไม่ไร้ผลแต่ก็อย่างว่านะยกอ่ะในวังวนแห่งวัฏฏะเนี่ยนะมันก็ ทั้งดีและชั่วมันก็ให้ผลได้หมดแหละเพราะฉะนั้นก็บอกว่ามันจึงมีทั้งนรกจนยันพรหมมันลกว่างั้นเถอะก็สุดแท้แต่เจตนาเอาก็รู้ว่าพูดแล้วมันเป็นบุญทําไมไม่ขยันพูดเนี่ยนะเพราขยันพูดให้มันเป็นบุญพูดสิบคาก็บุญ1สิบคำนะถ้าด่าคนสิบคนเอาเขาก็เกลียดเราสิบคนเหมือนกันนะถ้าเราด่าร้อยคนเขาก็เกลียดเราร้อยคนถ้าเราพูดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณร้อยครั้งเราจะได้บุญร้อยครั้งไหมเออเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้วิบากที่ดีทําไมไม่ทําเหตุทีี่่ดละ เอาถ้าทำปานาติบาตรร้อยตัวก็บาปร้อยติดบ่อยร้อยร้อยครั้งใช่ไหมทำร้อยครั้งก็บาปร้อยครั้งทำหมื่นครั้งก็บาหมื่นครั้งที่ทำบุญแล้วก็ทีครั้งเดียวพอแลวอ้วว่าไงนะไปทำบุญมาแล้วปีใหม่ว่าั้นะไปไหนไปเดินเฉียดเฉียดถ้เจ ด, ดีมามา ก, มกราบตั้ง3ทีเป็นต้นมันจะไปพออะไรแค่นั้นนะที่ทำบาปแล้วก็เต้นรําได้ทั้งคืนนี่ใช่ที่เต้นรำแล้วเต้นได้ทั้งคืนแต่ว่ากราบพระพุทธเจ้าที่กราบแค่3ครั้งบอกพอแลวอ้วว่าังนะผู้สันโดษจรงิจรงๆเลยนะ ที่บุญและสันโดสันโดษเนี่ยนะฟังเพลงนี่ฟังได้ทั้งเป็นวันเป็นคืนแต่ว่าฟังธรรมนี่หน่อยเดียวพอแล้วฟังแล้วว่างันเรื่องนั้นฟังแล้วเพลงนี่ไม่เห็นบอกว่าฟังแล้วว่างโอ้ยฟังแล้วฟังอีกเพราะดีนะแต่ว่าธรรมะบอกไม่ได้เรื่องนี้ฟังมาแล้วว่างกันนะเรื่องนี้ไม่ฟังอีกหรอกอันที่เพลงซ้ําแล้วซ้ําเล่านจนกว่าจะจําได้นะแล้ค่อยเปลี่ยนใหม่มันก็ว่าอย่างนี้แหละมันสะอะไรนะทิฏฐิวิบัติแยกไม่ออกว่าอะไรมีสาระและไม่ใช่สาระเนี่ยนะก็เลย ไม่รู้ว่าตัวเองอะไรมันจะให้ผลเป็นสุขอะไรผลเป็นทุกข์มันกลับข้างกลับฝั่งกลับฟ้าไปหมดไอ้สิ่งที่ควรละดันไปเจริญไอ้สิ่งที่ควรเจริญดันไปละเนี่ยนะสิ่งที่ควรใส่ใจดันไม่สนใจไอ้ดันที่สิ่งที่ไม่ควรสนใจไม่ต้องเก็บมาใส่ใจคิดจังเลยนะพุทธพจน์เนี่ยนะทำไมเราไม่ค่อยเก็บมาคิดให้มากมากฮะแต่คําที่เขาด่าเราคําเดียวแค่นั้นะอู้วิคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกไงนะทำไมถ้าย้ำพุทธพจน์เท่านั้นน่ะบรรลุแน่นอนที่เถอะไง มันก็เลยไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นอย่างไรเนาะเนี่ยนะก็มันดูเอานะรับผิดชอบด้วยด้วยอะไรด้วยเจตนาลำพังตัวเองแต่พระพุทธเจ้ารู้หมดนะว่ากรรมไหนเป็นเหตุแห่งอะไรให้ผลที่ไหนเมื่ อ, อไรอย่างไรต้องอาศัยก า, ศ า, ศาลรลัทธิอุปทิประโยคะไหมเป็นต้นพระองค์รู้หมดเลยนี้ต่อไปทศพลายามที่สามดูก่อนสารีบุตรอีกประการหนึ่ง ตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าสัพพัทธคามิตีปฏิปทายานเนี่ยนะญาณที่รู้ว่าปฏิปทาทางกายวาจาใจเหล่าใดนำไปสู่นรกปฏิปทาด้วยกายวาจาใจเหล่าใดนำไปสู่เดรัจฉานปฏิปทากายวาจาใจเหล่าใดนำไปสู่การเกิดเป็นปิติวิสัยคือเปรตเนี่ยนะ กายวาจาใจเหล่าใดานำไปเกิดเป็นมนุษย์กายวาจาใจเหล่าใดานำไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์หรือกายวาจาใจเหล่าใดาที่ปฏิบัติแล้วเป็นบรรลุพระนิพพานอันพระองค์รู้ปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ไปสู่ภูมิทั้งปวงและพระนิพพานตามความเป็นจริงนี่แหละดูก่อนสารีบรข้อที่ตถาคตรู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันจะยังสัตให้ไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงนี้ เป็นกําลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิยานฐานะแห่งผู้เป็นโจรบลือศีีหานาในบริษัทยังพรหมจักให้เป็นไปเนี่ยนะเขาบอกว่าสัพพัทธคามินนปฏิปทายานเนี่ยนะก็คือรู้เลยว่ารู้คติรู้ทางให้ไปสู่คติห้ารู้ว่าอะไรเป็นข้ออวิธีการสร้างเพื่อเกิดใน ในรกเปรตอสุรกายเดริชานหรือให้ไม่ให้ไปสู่คติทั้งห้าคืออริยมรักษ์เนี่ยน ะ, นะพระองค์รู้สิ่งเหล่านี้โดยไม่ผิดไม่เพี้ยนแม้แต่นิดเดียวทั้งกุศลเจตนาและอะกุศลเจตนาท่านยกว่าเจตนาฆ่าหมูตัวหนึ่งเอาใช่มมีการประชมร่วมการฆ่าหมูหนึ่งครั้งเนี่ยนะนะ เจตนาของบางคนให้ผลเกิดในนรกบางคนให้เกิดเป็นเปรตให้คนบางคนให้เกิดเป็นเดรัฉานบางคนตามให้ผลเป็นที่ธรรมบางคนให้ผลเป็นอุปชาวเวทนิยกรรมบางคนให้ผลเป็นอัปปราปราเวทนิยกรรมบางคนเนี่ยกรรมเหล่านี้ไปเป็นอุปธรรมตกกรรมแห่งบาปต่อไปไปเป็นอุปกรีรกรรมกงรู้อย่างทะลุผุโปร่ปรงหมดเหมือนนน่ะอันนี้แหละเ้าเรียกว่ารู้สับพัทธคามินีเจตนาร่วมกันทำหนึ่ง ทำบุญพร้อมกันหนึ่งครั้งใครจะบรรลุเมื่ อ, อไร่ที่ไหนและอย่างไรเนี่ยนะบุญจะให้ผลมาให้ผลเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาอย่างไรเนี่ยพ่องรู้หมดเลยแล้วเจริญมรรคเนี่ยอันนี้เป็นโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิมรรคคนนี้ตรัสรู้เพราะปรารภอนิจจานุปัสสนาหรือคนนี้ปรารภทุกขานุปัสสนาเป็นจํานวนมากพ่องจะรู้ทั้งหมดเลยอันนี้เรียกว่ารู้สัพพัทธขาไมิมีปฏิปทายานยามที่รู้วิธีการปฏิบัติ นะว่าเออเนี่ยถ้าไปอย่างเนี้นะถึงที่ไหนไปอย่างนี้ถึงที่ไหนไปแบบนี้ถึงที่ไหนรู้ไปหมดเลยเนี่ยนะแล้วของเรารู้ไหมเราทําอะไรแล้วจะไปไหนจริงมันน่าจะเช็คได้นะตามคําสอนตลอะชาติหน้าอยู่ที่ไหนดีอยากจะบอกว่าดีแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจอย่างนี้ว่ะเอาอะไรเป็นเครื่องมั่นใจเหมือนกันนะก็เอาโซดาปฏิมาศเป็นต้นนะ่ะก็เอาพระุทธเจ้าแล้วกันนะสุดแท้แต่พระพุทธเจ้าแล้วกัน่นะ ก็จเจริญพุทธานุสติเอาไว้ให้มากถ้าจเจริญไว้น้อยเนี่กยก็อยเกิดชาติหน้าที่ไหนดีหวังว่าชาติหน้าเราเจอกันอีกมาเจอกันที่ไหนเนาะว่างเัี้ยเผ่าไหนอย่างเงี้ยไงเผ่าไหนก๊กไหนกลุ่มไหนนี่ยก็ยุ่งกันนะมันก็ต้องค่อยๆคิดให้ดีๆนะว่ากรรมที่นำไปสู่พบทั้งปวงเนี่ยนะหรือกรรมที่นำไปสู่เพื่อพระนิพพานคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่เราจเจริญสําเร็จไหมถ้าจเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดไม่สําเร็จครบถ้วนบริบูรณ์ กรรมก็นำไปสู่พบทั้งปวงเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเกิดในคั้นเกิดในไข่เกิดใ น, ใดในถ้าออกใครเกิดเป็นโอปปาติกะได้ทั้งนั้นแหละนี่ต่อไปอีกในยานที่สี่ทศพลยามที่สี่ดูก่อนสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งโลกมีธาตุมิใช่อย่างเดียว โลกเนี่ยนะมีธาตุต่างๆตามความเป็นจริงดูก่อนสารีบุตรข้อที่ตถาคตรู้ชัดซึ่งโลกมีธาตุไม่ใช่อย่างเดียวมีธาตุต่างๆตามความเป็นจริงนี้เป็นกําลังของตถาคตประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่งอนะที่ตถาคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกบัลลือศีหนานในบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไปอันนี้ก็พระองค์รู้นะว่ า, าธาตุเช่นสาธาตุหนึ่ง ธาตุสองธาตุธาตุสองธาตุหนึ่งเช่นสังคตะธาตุธาตุสองก็คือสังคตะธาตุสังคตะธาตุธาตุสคือรูปธาตุรูปธาตุและนิโรธาตุเนคขมธาตุกามธาตุเนคขกามธาตุอพยาปาทธาตุอวิหิงสาธาตุกามธาตุภยปาทธาตุวิหิงสาธาตุธาตุหปฐวีธาตุอาโปเตโชวาโยอากาศวิญญาณธาตุธาตุสิ แปดยางไนะท่าสิบแปดก็จักขู่ท่ารูปธาตุจักขู่วิญญาณธาตุรู้ความแตกต่างของธาตุเหล่านั้นแม้แต่ธาตุแห่งต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยนะว่าต้นไม้นี้ทําไมมันจึงให้ผลออกมาเปรี้ยวเพราะธาตุตัวไหนมีจํานวนมากเป็นต้นพองค์รอบรู้ทั้งหมดเลยนะว่าต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยเพราะมีธาตุไหนมากอะไรมากจึงทาให้มีหนามนะธาตุแต่ละอย่างพระองค์รู้หมดอย่างไงเขาเรียกว่ารู้ชัดซึ่งโลกมีธาตุไม่ใช่อย่างเดียวแล้วก็มีธาตุอย่าง ต่างๆตามความเป็นจริงไม่ใช่ธาตุเฉพาะในโลกนี้นะทั้งสังขารโลกสังขารโลกสัตวโลกและโอกาสโลกรอบรู้ธาตุเหล่านั้นทั้งหมดโดยบริบูรณ์อย่างสิ้นเชิงนะนความที่พระองค์เนี่ยรู้ธาตุดังที่กล่าวไปแล้วนี่แหละพระองค์จึงปฏิญาณฐานะแห่งผู้ผู้นำนะบรรลือเสียหนาาในบริษัท์ยังพรพรหมจักรหรือพระธรรมจักรให้เป็นไป ดูก่อนสารีบรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งความที่สัตว์เนี่ยนะมีอธิมุตตต่างๆกันดูก่อนสารีบรข้อที่ตถาคตรู้ชัดซึ่งความที่สัตว์มีอธิมุตตต่างๆกันตามความเป็นจริงนี้เป็นกําลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกบรรลือศรีอนาจในบริษัทอย่างพรหมจักรหรือพระธรรมจักให้เป็นไป อันนี้พระองค์รู้เลยนะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีอธิมุตดีก็มีสัตว์ที่มีอธิมุตเลวก็มีนนมีทั้งอธิมุตดีและอธิมุตเลวเนี่ยนะสัตว์ที่มีอธิมุตเลวมันก็คบหาสมาคมกับสัตว์ที่มีอธิมุตเลวสัตว์ที่มีอธิมุตประนีตก็คบหาสมาคมกับสัตว์ที่มีอธิมุตประณีตอดีตการฉันใดอนาคตการก็ ฉั น, นั้นปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้นคนเลวก็คบกับคนเลวนั่นแหละนะคนดีก็คบคนดีคำนั้นมันพวกปานาธิบาตก็คบหาสมาคมกับพวกปานาติบาตด้วยกันคือมันคบกันไปตามอัธยาศัยตามตามอธิมุตตามความโน้มเอียงเช่นพูดง่ายๆว่าฝูงโคก็ย่อมไปสู่ฝูงโคโคลงช้างก็ไปสู่โคลงช้างม้าก็ไปสู่ฝูงมา้ามนุษย์ก็แบ่งไป ต, ตามเผ่าแห่งมนุษย์มนุษย์มันก็แบ่งเป็นหลายกลุ่มหลายเชื้อชาติมันเข้ากันได้ตาม อธิมุตเนี่ยนะอธิมุตต่างกันเข้ากันได้เนี่ยนะแต่อธิมุตที่ต่างกันมันก็ไม่เข้ากันอธิมุตเหมือนกันมันก็เข้าไปเหมือนกันอย่างตอนนี้เรามีอธิมุตเหมือนกันชอบสีหนาสูตรฟังธรรมเหมือนกันเนี่ยนะในอีกพักหนึ่งมันชอบไม่เหมือนกันก็ไปเนี่ยนะก็มีการรวมธาตุกระจายธาตุมันคล้ายๆกับน้ําเดี๋ยวเอารวมกันเดี๋ยวก็แยกกันก็อยู่อย่างนี้แหละสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าอธิมุตที่แตกต่างกันเนี่ยนะแท้แต่อัธยาศัยเหมือนกันนะอธิมุตตัวนี้หมายถึงว่า ความชอบนะอาทิมุดเดียอาทิมุดเลวพวกอธิมุดเหล่าใดก็ไปรวมกันเห็นไพวกอัธยาศัยเหล่าไหนที่มันชอบคล้ายกันมันก็จะไปรวมกันอดีตมันก็เป็นอย่างนี้แหละคนเลวก็คบคนเลวคนดีก็คบคนดีถ้าจะเปลี่ยนดีไปเป็นชั่วก็ต้องคนดีไปคบคนเลวถ้าเปลี่ยนชั่วไปเป็นดีก็ต้องคนดีคือเรียกว่าเปลี่ยนธาตุเมื่อไหร่มันก็จะปรับท่าแปลว่าธาตุทั้งหลายมันพร้อมที่จะปรับเข้าไปหากันมันถ้าอัธยาศัยคล้ายกันมันก็โน้มพี่ไปสู่ อะไรนะคล้ายเคิรงกันมันสัตว์ทั้งหลายนั้นมีอธิมุตที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันเนี่ยนะมันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นอย่างงี้จริงๆอ่ะนะว่าเออเนี่ยมันก็คบกันตามอธิมุตจริงจริ ง, ร ง, รงตามความชอบอ่ะนะชอบอย่างเช่นกลุ่มที่ชอบเรื่องอะไรมันก็จะไปรวมกันอยู่ในเรื่องนั้นนั้นอ่ะนะก็จะไปออกันอยู่ตรงนั้นแหละนี่ต่อไปอินเรียปรปริยติยานทศพลยานที่หกดูก่อนสารีบุตรอีกประการหนึ่ง ตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งความที่สัตว์และบุคคลทั้งหลายมีอินทรีย์ยิ่งแล้วก็มีอินทรีย์หย่อนตามความเป็นจริงออินทรีย์ยิ่งไม่ใช่ตาแก่ แ, แล้วก็ตาไม่หย่อนยานไม่ใช่อินทรีย์นี่นะไม่ใช่อินทรีย์คือตาหูจ ม, มูกลิ้นกายนะที่ยิ่งอ่อนก็ย้อนจริงๆนะไอ้ที่ตึงก็ตึงจริงๆไม่ใช่แบบนั้นอะไาอย่างอันนี้หมายถึงสัท ธ, ธาวิรยิยะสติสมาธิและ ปัญญาเนี่ยนะสัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่หย่อนก็หย่อนจริงๆแล้วก็ยิ่งก็ยิ่งอ่ะนะเรียกว่ารู้ความยิ่งความหย่อนแห่งสัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิและปัญญานั่นเองดูก่อนสารีบทข้อที่ตถาคตรู้ชัดความที่สัตว์และบุคคลทั้งหลายมีอินทรีย์หย่อนและยิ่งตามความเป็นจริงนี้นี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่ง ซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกบรรลือสรีหนาถในบริษัทยังพรหมจักให้เป็นไปนี่นะกระว่าพระองค์นี่แยกออกว่าผู้นี้มีศรัทธายิ่งนะในอินทรีห้ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาบางคนนี่มีศรัทธามากแต่อินทรีย์ที่เหลืออ่อนบางคนมีวิริยะมากอินทรีย์ที่เหลืออ่อนบางคนมีสติมาก ที่เหลือนี้อ่อนบางคนสมาธิมากแต่ที่เหลืออ่อนบางคนมีปัญญามากที่เหลืออ่อนบางคนเนี่ยขาดอยู่สองอย่างบางคนเนี่ขาดสามอย่างบางคนขาดสี่อย่างหรือบางคนขาดทุกอย่างบางคนไม่มีศรัทธาเลยบางคนเนี่ยไม่มีความเพียรไม่มีวิริยะสติสมาธิปัญญาเหลา่าใดเหล่าหนึ่งแม้แต่นิดเดียวเลยเพราะั้นความที่พระองค์เนี่ยรอบรู้รู้ทั้งหมดนียคว่ารู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ตามความเป็นจริง